น้อหมอหมอน้าเจ้าอีฮานิน้าเจ้วน้กเจ้ า, จ า, จาไปพอดภพาพไปหามหออมอนึกไปหาหมอลึกช่วยอ่ะบึ้กเวินไปกันได้แต่หนาโอ๊ยผ่านต่อจจใส่เมือยเอาบันไดน่นน่ะเอาบันไดมาเอาลูกมานเรวปาลมานเล้วพอดภาพไปหามหมอเจี๊ยไปหามหมอพอดีพดานไปหามหมอ า ม, ามัน เ, นเป็นบ้านเอาบ้านมันี่เปพดผ้าไปหามหมอมันนีทนน่ที่ร้านคูัวนี่แล้วที่ร้านครัวด้วยพา่อใส่เลยหาหมอไอ้เล็ไอ้นี่ยเพือไอ้าไปหามหมอดวยใแล้วนี่เราตผ้าไปหามหมอเด็ไปเวนี้ยโอ้จีนงอมชแล้วเซีม ด, ดินตาเลยเป็นแม่หมอครับตวหูหวานโมูนี่ได้ติดผ้าเนี่ยตายหมอ เาไปัวหัวไอ้มงมงมกนนี่ไปพาไปหาหมอเดียบไปหาหมอไปน้ำหลอมเฟสติวัลวันที่สเมษาวนวันนีวันันนรีบหายเนวโอ้ชัมงมสามแพงพาแสนพรเบอร์นินเบลร์สอจนต้นสีจันดีสี เอาได้บัวหวานะบัวหวานต้งสองโอ้ยนี่จังไม่พอมาตีห้านิดเชี่ยวคอบเอาก็ฮ้ยแม่รับตอกหนีจิ้มปกาเนลีใส่มัดเดียวล่มนะใส่มัดเดียวล้มน้ำจิ้มด้วยแม่ทับกอบไปไห พวันทาโสสีจันบีสีแว้ ว, แวเขาเด็นใช่ผู้ใดเสียผู้ใดจอมลอ้ท่านขาดีได้ดีได้ดีได้ตานีได้ะอะศิลปินเบอร์ใหญ่ที่สุดแล้วลุงบอกตรงนี้นะครับป้า mm hmm. คันแรกไนใไนเพชรชูบูลที่เอาศิลปินอยใจที่สุด้อมหมอรำสิงได้ที่แบน สซิกเมตรใหญ่มากโคตรใหญ่อะโคตรใหญ่ใหญ่นเจ๊งแเปนี่ยน <ไป S 2> หนน้างเปลี่ยนอ้ำหมอมันี่เรวเล็วไปนอเปลี่ยนนาวโอ๊ยนี่ภาพจะไมีตามนี่าปเร็วเร็วเร็วๆโอ้ยน้องแก่เอก ช, ช็ดตาบคนเทาคนแจ๊ะัวตาไอ้ว้ยอะเอาอบเลยนะพงไปจับซีอองใส่ชีดอนต์ก็มีแต่ปวดตาเนี่ยบุมอมด จบๆตาก็ยกซึอยกคนไทลานี้ล้านนี้ล้านนี้อ๋อเขาเนียกพวไลานี้บ้านนี้บ้านนี้อ๋อเออพอเลาผมไ้เจ้าไอ้หัวได้ที่โดนก็อนนีจะพกดว่าตายไอ้หัวเอ้ามึงเรียนไปทำไมเอนมึงเรียนแบบไอ้แจ๊กนะเขาเป็นกระแสเขาเป็นแบรดเรมึงกำมาเรียนแบบปังรามยิปูมันเป็นเรื่องไม่ดีเขาเป็นไรไอ้หั มึงจะไป้ขึ้นตู้หัวหายมึงจะได้ขึ้นหลังงอยมันใจเนื้อไหมมันปิดระงุงที่อวสมุดมันไม่สมควรปิดได้ระงุเดี๋ยวเชี่ยวไทมึงขึ้นไปโอผมสยัดแตนสนุกสนุกลุงมาไี้เปล่างไทยมึงเน่้ไปไม่นีไทยก็ไอ้มนต์เจ้เสือมัน ไ, ไม่ใช่มาเขาจะเคาเขาเป็นข่าวเัาเป็นกระแสรขบเป็นเด่นเอาลงมึงจะไปเรียนแบบเขาอีวยก มันเรียนแบบไรมึงเรียนอมึงเรียนแบบโรงเาสมกไอ้ห่าเลยชางสมดกมงนมสมกรมึงเห็นไหมมึงเห็นไมเขาด่ากันพราะไ้าด่าคือไม่ได้ด่าพวกนู้นนี่หละเขาจะด่ามึงเนี่ยมึงผิดเลยมึงไปเรียนแบบเขามึงไม่ไดผิดมแเอาสมดกครับลุงไอ้ไดวอนโอ้หอะไรกงลูกผมเรียนตะโมได้ไว้เลยมกโอ้โ่องียมึงขึ้นไปเนี่ย หอมกินอยู่ข้าว่าเมียก็โคมชิอยู่กันมันนิมั น, น, ม น, น, มนตงตรงเมียผมอยู่ัวนไม่ได้ยาได้โนัวลงเหมือนได้แจ็กเดียวทัลงไหนจะไปเรียนแบบไอ้แจ็ไม่ได้ไม่ได้เยียนแบบลุงเราก็เอาแกสโนค่คฮะันหาตัวไหนก็ดูวิบบอกลาขปล่ต้ที่โดนานี่แต่พทตาเี่ยวนจิจบตัตายายกตั้มไ้ไอ้เม่นดสดไหมรู้ว่าให้ลงมาดูอ้ลงได้ลงมอให้เราเดินลงลไอ้เมียเรียนแบบเขาไปเหนื่อยเมื่เีย เป็นยี่อะไร้นี่อย่างไรคว้าไอค่ะเปรียบเหมือนไม้เอไอสัตว์มาอีกแแค่นี่อ่านอย่ไหมไอ้เบ์อบูไม่เข้าใจว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมก็มาพิ่งบนนี้ทั้งๆที่เท่าหามนเป็นหนหันไม่เคยมันโง่จริงก็ใช่เลยเพื่อนๆนะพ่อหัวน้าลบดมาหาพ่ออยไหน ไอ้บอลทีนี้มไม่ได้สอนแล้วมึงดีขึ้นมาเลยอุจารเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้ตีีก็มึงจะไว้ที่ตรงไหนมาตาอะไรบอลมาตาอะไรมึงอยามากเกนหนักก็ไว้ตัดจะนับตีหนักกูยาวมากเกินหักกูาก็เป็นมืหันยแล้วไปมือหันแล้มึงจะมาเรียนแบบไอ้เจไอ้ตผมไม่ได้เรียนแบบเผมเลยที่ไม่ไนกูไม่ได้สอนแล้วมึงดีขึ้นมาเลยเนาะไม่ได้สอนอยู่แล้วไว้ขึ้นมานี้ผไม่ได้สอนก็ทำภาพขึ้นตรงนี้ผมไม่ได้สอนที่แย่ที่ทไม่ปกก็ติดรับ ผมบอกตายดังอะไรต้นเนี้ยผมเต้นเดี่ยวผมที่ตรงไหนเต้นเดี่ยวผมบอกขอตายสักขอตายขอมาคู่อะไรตายตายตายตายเฮีอะไรว่ตายเฮียตายแล้วจะทำไม่เลยตายตา <iqu qui>